วิธีสละของที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมได้ทำการซื้อขายมีประการต่างๆสิ่งของนี้ของกระผมเป็นนิสกีกระผมสละสิ่งของนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติครันรับอาบัติแล้วพึงคืนสิ่งของที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสง์จงฟังข้าพเจ้าสิ่งของนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้สิ่งของนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแกคณะ ภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมทําการซื้อขายมีประการต่างๆสิ่งของนี้ของกระผมเป็นนิสกีกระผมสละสิ่งของนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสิ่งของที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าสิ่งของนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้สิ่งของนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งโฮมุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับกระผมทําการซื้อขายมีประการต่างๆ สิ่งของนี้ของกระผมเป็นนิสกีกระผมสละสิ่งของนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับพึงรับอาบัติแล้วคืนสิ่งของที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนสิ่งของนี้ให้แก่ท่าน